ลักษณะหนทางแห่งความหมดจดทางมีองค์8ดเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมร ท, ทั้งหลายผู้มีพุทธจักสุประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะ ทางอื่นไม่ได้มีเธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำ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 ขยายความแห่งอริยมรตมีองค์8ดเรื่องของอริยมรตมีองค์8ดนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นหนทางหนทางเดียวที่จะเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งพระองค์ได้บอกกับสุภัตถะปริพาชกว่าถ้ามรตมีองค์8ดไม่มีก็คือพระหลานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มี แต่ถ้าตรับใดอริยมรรคในองคยังมีอยู่ในโลกเส้นทางมีผู้เดินมีพระหลานต้องมีความปนทุกต้องมีซึ่งคนตั้งหลายนั้นบางครั้งเข้าใจว่าอริยมรรคในองคเป็นเรื่องที่ยากทําความเข้าใจยากหรือนําไปปฏิบัติไม่ได้แต่จริงๆตัวมรรคในองคนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่นําไปปฏิบัติได้เลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรเลยก็ได้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 ส่วนการเห็นจิตในจิตพิจารณาจิตในจิตนั่นคือเมื่อระลึกได้แล้วก็ให้ตั้งจิตอยู่กับผู้รู้นะผู้รู้เฉยๆนะที่ไม่ใช่ผู้คิดผู้จาหรือผู้สุขผู้ทุกข์แต่เป็นผู้ที่รู้นิ่งๆในกรณีของการเห็นจิตในจิตหรือพิจารณาจิตในจิตนะพระองค์อธิบายโดยหลักของอานาปาญสติว่า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 อาการที่จิตระลึกได้กลับมาสู่กายเวทนาจิตธรรมเมื่อจิตมีสติคือระลึกได้แล้วอาการจิตนั้นก็จะดับไปเหลืออยู่แต่อาการสัมปัชญะคือความรู้ตัวที่รู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมและถ้าความรู้ตัวนี้ติดต่อเนื่องยาวนานนั่นก็คือว่าเรามีสมาธิ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 ถ้าองค์ของธรรมมีวิตกวิจารณ์มีปิติและสุขพระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตว่านี้เป็นปฐมฌานคือชานที่หนึ่งและตัวชานที่หนึ่งนี้เป็นสมาธิที่สามารถทำให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องได้ชานที่สองสามหรือสี่ก็ได้ ตัวชั้นที่สองก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ตัวชั้นที่สก็เป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้และตัวชั้นที่สก็เป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้สมาธิในทุกๆขั้นเป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้หมดแต่พระองค์ตรัสในสมาสมาธิเพียงแค่ชั้นที่หนึ่งสองสามและสซึ่งถ้าท่านตรัสในเรื่องของสมาธิ ที่เต็มรูปแบบก็คือมี9ระดับแต่สัมมาสมาธินั้นพระองค์เอาแค่สี่ระดับคือชั้นที่ 1-4 ถึงเท่านั้นนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์ทั้งหมดที่เป็นหนทางเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาจิตอันเป็นไปพร้อมเพื่อมรรคผลนิพพานและถ้าท่านกล่าวมรรคมีองค์ย่อเป็น3ท่านก็จะตัดว่า ศีลสมาธิและปัญญาถ้าท่านตรัสมรรคมงค์8ย่อเหลือสองท่านก็จะตรัสว่าสมถะกับวิปัสนาสมถะก็คือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียววิปัสนาก็คือการเห็นการเกิดและการดับส่วนตัวมรแป8นั้นพระองค์เริ่มจากปัญญาก่อนสองข้อแรกสง่งคราะเข้าในปัญญาสามข้อกลางสงเคาะห์เข้าในตัวศีล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 คือหนทางอันประกอบด้วยองค์8อันประเสรฐนี้เององค์8คือความเห็นชอบความดําริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเทจการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลาย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 ย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอากุศลละธรรมทั้งหลายอัลลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอากุศลธรรมทั้งหลายอัลลามก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 ภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้รศสงัดจากการทั้งหลายรศสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารณดำงับลง เธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุข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 เธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์